<c oughs> ต่อไปนะครับกำหนดใงบทสวดวิธีนะหน้าเจ็ดสิบปนะครับอภิสมุมีสิบแปดปินะหลัก ร, อรอ้อสิบห้าที่เจ็ดสิบแปดิสูรูปใดครับพึงยืนในที่ใกล้พอจะได้ยินเพื่อแอบฟังคำของภิสูรทั้งหลายพูดทะเลาะวิวากันกับตนครับซึ่งกำลังปรึกษาหานหรือกันอยู่ กำลังวางแผนกันด้วยคิดว่าเราจะฟังเรื่องที่ทิ่สุเหล่านี้คุยกันจะทํ า, าความคิดเช่นนี้นั่นเทียวให้เป็นปัจจัยไม่ใช่อย่างอื่นเช่นต้องการชี้แจงความจริงจะได้เลิกทะเลาะกันต้องอ า, าบัติปาจิตปีประแอบฟังนะเขาคุยกันนะเกิดการทะเลาะวิวาสกับทิ่สุลูกอื่นใช่ไหม หรืออาจจะหนักขนาดว่าเป็นกุ่เป็นกลแล้วมีคุยกันล่ําหลังเป็นกลุ่เป็นกลุก็เลยแอบฟังหน่อยนะครับเดินย่องเข้าไปที่มืดๆนะเขาว่าอะไรนรารุกป่านี่จะว่ากลับคืนนี้นะเขาว่าเราเราจะเอาไปเล่นงานเลยเนี่ยมาสอบอย่างงี้นะครับก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับรู้สึกว่าตอนที่เดินเราก็จะทุบขดแล้นะพอเข้าไปใกล้ระยะที่ได้ยินเขาคุยกันนะก็จะต้องอามบปาจิตติ ประสมไม่ดีแจกฟังไปจะได้ว่าเขากลับคืนนะครับหรือแม้ขนาดนี้ถ้าบอกนะครับอันนี้เดินไปหาเขาใช่ไหมขณะว่าเขาเดินมาที่ที่เราอยู่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่นะครับแค่ซุบซิบนินทาว่าอะไรเราไม่ดีอย่างนี้นะแล่วเราก็แอบฟังนะครับอันนี้ก็ต้องบำบันเหมือนกันนะครับแอบฟังด้วยใจอย่างเนี้ยจะไปว่า ค, คืนเขาทีเขาก็ต้องบำบัดไปดีเหมือนกันถ้าบอกว่าไม่ได้ก็ต้องแกล้งกันนะครับ อผมอยู่ตรงนี้นะะบอกอยู่ยิานินทานใช่ไหมครับแค่ที่ได้ความรับทั่วฟ้าหรืออย่างนี้เขาเขดิคุยกันซุปสินิงทานอยู่เราก็เลยรีบจ้ำแลกสีเท้าใช่ไหมเพื่อใกล้ๆจะได้ยินแกพูดนะครับ หรือว่าเราเดินนำหน้าไปก่อนเขาเดินที่หลังนินทาทุบซีเรานะแล้วก็ทะลอการเดินให้ช้าลงนะครับเขาจะมาทันเราจะได้ยินเข้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะปรับนั้นนะครับพออยู่ในที่ไหนได้ยินนะก็จะต้องบัดไปอียินเท่ทานั้นเลยนะครับีนแต่ถ้ามีความประสงค์ดีนะตั้งสติได้นะครับคิดว่าเข้าม า, กาแกล้ๆเราได้ยินเข้าใช่ไหมเราไม่ได้คิดจะไปะหารเงื่อนขืนอะไรนะครับเราต้องการชี้แจงความเจรยวความจริ ง, รงเป็นยังไง คุณก็ได้เห็นผลดีๆนะครับไม่ใช่ยิ่งขี้จังยิ่งทะลอะนะอย่างเงี้ไม่ได้เพมันจะพูดเห็นผลกันดีๆนะมีเมตตารมีอะไรกันนะครับอันนี้นะครับเป็นไปอย่างนี้ผมเคยบอกนักศึกษาฟังนักศษาบาลีสมัยผขาบอกว่าผออนุญาตให้นินทาฟรีใครจะนินทาว่าละใครได้ตาสะดวกแต่ห้าเอามาพูดให้ฟังนะใครรู้เรื่องก็ไม่ไม่ผมไม่โกรธไม่อะไรเนั้นแหละ แต่มันต้องมาเล่า ม, มาบอกใ้ฟังนะครับไม่รู้เรื่องก็ดีอยู่แล้วใครว่าอะไรเราจริงไม่จริงมันก็เป็นเรื่องของข้อใช่ไหมถ้าไม่จริงขเข้านั้นก็เป็นเรื่องของข้อเองนะครับอันนี้ ย, า ย, าย่าไหนีทางปีเลยไม่ว่าอะไร <c oughs> บางคนก็บอกว่าเอ้ยเขไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่รุ่นผู้ชายยุ่งซึ่งมินทางทําไมแน่จริงมันพูดกันเลยว่าจริงจังมาเลยแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะคุยกันได้ยังไงพูดกันก็ทะเลาะแตกคอกัน <c oughs> ฟังไม่ยากเลยค่ะฟรีว่าอะไรอาจจะเต็มที่นะแต่ยัให้ได้ยินก็ในการก่อจริงๆนะแล้วก็ห้เอามาบอกด้วยนะก็ไมนใันจบไปรื่ของคุณแค่นั้นพอห้เอามาบอกบางทีคนก็ไม่รู้ไงเขาคิดว่าคนที่เอาเรื่องนะครับที่สมมติว่ามีเพื่อนเราโดนด่าใช่ไหมเราก็คําที่เพื่อนเราโดนด่าไปบอกให้เพื่อนฟังเพื่อก่อไม่พอใจใหญ่เลยใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ความปัญรนาดีนะถ้าปัารนาดีก็ต้องไม่บอกให้เขารู้เลยครับไม่บอกเลยมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเอาเอาไฟนอกเข้าใช่ไหมเอาไฟนอกเข้ามาพูดทำให้เขาเกิดความไม่สบายใจหรือเปล่าป่าวแต่เขาไม่รู้เรื่องก็ดีอยู่แล้วไม่ได้จบไปเขายังได้ไม่คิดอะไรใช่ไหมครับ<ม>นอกจากว่าเรื่องนั้นมันจะมีเป็นอันตรายอะไรข้าเงียบนะแล้วก็ไมบอกได้อะไรได้ครับ <c oughs> ผมก็เลยพูดเหมือนกันอ น, นุญาตให้ดีครับรี คนไม่ถูกเรียนแท้มัน ม, มีในโลกใช่ไหมอันนี้ธรรมดานะครับแล้วคนบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ฝุ่นบิดปกติที่ไม่นใช่พารี้ า, านะครับแล้วไม่ใช่คนทีกนทกนท่ก็าฝึกมาดีนะถ้าเป็นคนธรรมดาอ่ะนี่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับคําตําหนิเลยนะครับมีแต่คําชมนะโอ้ยท่านอาจารย์ดีอย่างนั้นดีอย่างงี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะครับถ้าโดนตําหนิโดนว่าก็สมน่ัยรับไม่ได้นะโอ้ยมันคงเป็นไฟเลย ถ้ามีคนทคี่ไม่ค่อยได้โดนตำหนินะครับมีนคําชมมีแต่ป้ายอมมีแต่ดีๆใช่ไหมเกิด<ม>โดนว่ า, าสักครั้งสองชั้นอยู่ไม่ได้นะร้องเป็นหนักยิ่งกว่าคนนั่นอีกนะครับคนที่ใครดา่าโดนด่าประจำเลยเขาบอกว่ามีอยู่ทีหนึ่งนะในหวงราชการที่หกนะครับเข้าท่านนะมีเชื้อพระวงศ์อีกอองหนึ่งนะท่านทําตัวแบบไม่เรียบร้อยไม่สมควรความเปกษัตริย์่งนี้นะครับพระองค์ก็ตัดเรียกว่า ตัดเรียกนะเรียกว่ายัางไงอะจำได้ไหมท่านเรียกว่าอะไรนะท่านตัดเรียกชื่อคนที่ทางานสวนครับท่านรู้ว่าเจ้าคนนี้มานะท่านก็เรียกว่าออน้นา น, นายนกใช่ไหมนะ่ะที่มานะนายนกใช่ไหมเรียกอย่างนี้นะครับคือที่พวอต่างอย่างนี้เพื่อจะให้รู้ว่าอกิริยาอย่างนี้นะมันไม่ใช่จา้าที่ทำกันมันก็พวกอะไรน่ะพวกสวนพวกอะไรก็ทํากันอย่านั้นะ พวกชาวสวนพวกอะไรในลูกจ้าพวกอะไร เ, เ, าเขาทากั น, พนเพราะนน้องก็เป็นคนทํางานสวนนะครับที่อยในในหวังในอะไรเนี่ยนะแต่เจ้าเนี่ยไปทําตัวเหมือนกับเหมือนกับพวกคนสวยคนอะไรเนี่ยที่ไม่เหมือนเจ้านะครับเพียงพูดแค่นี้อะนะอุ้ยเสียใจเนี่ยนะครับท่านี้ไม่ได้ว่าด่าว่าอะไรนะแค่เตือนสติให้รู้คนนั้นเองนะครับเสียใจขนาดไหนนะครับขนาดว่าล้มหัวแล้วก็ตายไปเลยครับเออครับ น้อยใจเสียใจมากนเนี่ยตำหนิอะไรเราขนาดนี้แค่ตัดเรียกนะว่าหนาหยนกเพื่อเพื่อรู้จวว่าอะไรไม่สมควรกะทำอย่างนี้ น, นะครับเ <où S 1> นี่ยมันเป็นหนักขนาดนั้นมันไปขอที่ยิงไม่ค่อยได้โดนตำหนิโดนอะไรบ้างนะครับจะรับไม่ได้เลย <c oughs> ต่อไปนะครับเรามาดูคำที่มาคนไม่ิีทางไม่มีในโรกใช่ไหม ขนาดคนที่ดีประเสริฐชื่อพระพุทธเจ้านะพอดีขีกไยังว่ายนินทาเี้เนะาะเห็นนักภาษาอะไรกับเรามันไม่ต้องไปเครียดไปคิดมากถ้าใครมีนินทาเรามันธรรมดามันเป็นโลกธรรมแต่ยังมาหาต น, น่นต้อมามล <c oughs> ้วไม่ได้ไ <c oughs> ต่อไปนะครับดูต้นมันหยันนะต้นมันอ ย, า ง, นะอนนอยางนี่ก็มาจากรู่งพชระพัชร์ขี่นะครับในสมัยนะั้น พุทธบ้าน พ, พุทธเจ้ามาถ้าอยู่นประเชษตวันอารมณของนาฏกิิการข้าบดีเข็มพระนครสามัคคีครั้งนั้นก็จะขวักคีทะเลาะ ก, กับพวกวิสุทธิผู้มีศีลเป็นที่รักนะครับใ <c> น <oughs> การทะเลาะกันนั้นพวกวิสุทธิผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวสนทนากันอยู่อย่างนี้ว่าอวสุต้องหมายพวกขวักคีพวกนี้เป็นอาณาจีนี่ครับพวกเราไม่อาจจะทะา ก, กับพวกพระพวกนี้ได้นะครับ พระเจ้าบคีกาวต่ออย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายทําไมพวกท่านจึงได้เรียกพวกเราด้วยถ้อยคําว่าอาละชีนี่ไงพวกพิสุผู้มีศีลเป็นที่นับถือว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านได้ยินมาแต่ที่ไหนใช่ไหมค่อยพูดไปในที่อื่นนะพระเจ้าคีไม่อยู่น่ะไป็รู้ได้ไงนะครับพระเจ้าบคีตอบว่าเรายิ้มแอ้ฟังพวกท่านอยู่อืี่นะยิ้มแย้มฟังอยนื้อ นีาบดาผู้สื่อที่นูมากนะส่วนต่อต่างก็แพ่งเพงเอเตรียมบทนาครับแลวก็กล่าวพระเจ้าทรงสร้างนะครับถือว่าไม่ดีนะถึงแม้เขาจะนนทางเราก็ไม่ควรที่จะแอบฟังนะครับต้องกแกล้งไม่เขารู้ตัว <c oughs> แกล้งไม่เขารู้ตัว <c oughs> มาเรื่องการเป็นเร่อตลกไงถนะ <c oughs> ้าจะได้ไม่เครียดใช่ไหม <c oughs> พระองค์ ก, คก็ส่งสอบถามส่งติดเตยอพระเจ้าพธคีและก็บันจาดสิบถามบทนี้ขึ้นมาอันนี้คำอธิบายในนิพแต่พระวินัยเดิมก่อนวก็ชัดเจนหน่อยนะครู <c oughs> ท่านบอกว่าคาว่ายืมแอบฟังนะครับคือพิสเุเดินไปด้วยความตั้งใจว่าเราจะฟังคำของพิสุเหล่านี้ แล้วจักทูวางจับตึนจักฟ้องจักให้สํานึกจะทําให้เกืเก้เขินก็คือจะว่าเขาเหมือนกันเขานี่ว่าผมใช่ไหดังนี้นะครับต้องมาทุกด ก, ก่อนนะที่เดินไปนะครับทุกคังมตั้งใจงยืนอยู่ในที่ใดได้ยินใช่ไหมพอยืนไปถึงเดินไปถึงที่ไหนนะครับได้ยินเนี่ยต้องบัรปันจิตใจนะครับอนี้เมื่อเดินไปข้างหลังนะเดินข้างหลังเท่านะ รีบเดินให้ทันด้วยตั้งใจว่าจะฟังรีบจ้ำ เ, เ, เลยนะครเดินไว้เลยนะตั้งใจว่าจัฟังต้องอาบัตทุ ก, กโกรนะครับยืนในที่ใดได้ยินต่อแบบฟังจิตตีนะเมื่อเดินไปข้างหน้ามาเดินไปข้างหน้าคนะรถเดินให้ช้าลงด้วยตั้งใจว่าจับฟังนะคระับต้องอาบัตทุ ก, กโกรนะครับตอนที่รถปีท้าลงนะยืนในที่ใดได้ยินต่อบัตปรปาจิตตีนะครับโดนทุกกรณีนะครับไม่ได้นะ บั้งเราเดินผ่านมาถึงสถานที่ที่วิสุยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีนะครับเมื่อเขาพูดมุกนิด ก, กันอยู่ต้องกแอบไอให้เขารู้ตัวเหมือนกันนะคือว่าเราเดินไปที่นะไม่ไ้ตั้งใจที่จะไปฟังหรอกแต่พอเดินไปถึงที่เขาอยู่พอดีแล้วไปได้ยินข้านะครับหรือว่าเข้าเดินมาหาที่เราอยู่บริษัทแล้วกันนะได้ยินเข้านะครับเนี่ยต้องแกไมาให้เขารู้ตัวแล้ว ถ้าไม่แกลอมนะครับหรือไม่ให้เขารู้ตัวต้องบัตรปางจิตติอันนี้ย่างที่ฟังเพื่อประสงค์จะไปจดไปทวงไปว่าเท่าน่ะแต่ถ้าเราฟังจริงแต่ว่าไม่ได้มีใจประสงค์อย่างนั้นใช่ครับต้องการจะชี้แจงความจริงเนี่ยก็ไม่ต้างระไรับนั่นคุไม่าไม่เี่ไนะครับไม่รู้คำที่บามในคันา หน้า212นะครับอธิบาอุปาสุติสิกขาบทพึงสราบาาทิบาคำที่แปกต่อไปคําว่าวิวาทาปัรนานันคือพวกวิสุทธิ์ที่ถึงวิวาวิวาทาทิกร อ, อันเกิดจากความแตกร้าและความคลอดนะครับก็เกิดการทะลาวิวาดกันนะจะท่ะ เ, เลาะเรื่องทำเรื่องวินัย น, นะครับเป็นต้นนะแล้วก็เลยแตกกันนะครับ คำว่าอุตตสติงแปลว่าฟังอยู่ใกล้ๆก็แอบฟังครับงานความภาษาไทยนะขยายความว่าพิสูจยืนอยู่ในที่ใดสามารถจะได้ยินคําของพิสูจ์เหล่านั้นได้ก็ยืนอยู่ในที่นั้นเพราะมีความต้องการจะโจดจึงเดินไปในที่นั้นด้วยตั้งใจฟังครับต้องมาทุกคนทุกทุกยากทางนะครับเนี่ยทุ่งยากท า, ทาเลยนะ จะเดินเร็วหรือเดินช้าเดินเร็วเร็หรือเดินช้าช้าก็เหมือนกันนะครับอย่างที่ที่บางไปนะจําฝีท้าหรือว่ารถฝีท้าช้าลงึ้นไหมพอยืนฟังอยู่ณที่ใดเมื่ อ, อยืนในที่นั้นต้องบั่ปานจิตีที่ได้ไดยินนะครับเมื่อพิสูจนเหล่านั้นมาปรึกษาหารือกันอยู่ใกล้ๆที่ที่ตราอยูนนะครับพิสูจน์คนแกล้งไม่ใช่จามนะแอล้งนะครับแอน้งขึ้นมาเลย หรือบอกให้รู้ว่าตน อ, ตนอยู่ตรงนี้นะครับแม้เมื่อไม่ทำอย่างนั้นตั้งใจฟังต่อปัตปาจิตีหมุนนก่นนะะนะะ <c oughs> เกิดแล้ประเภทอาบัต น, นะครับสิกขาบนนี้พุทธทาเจ้าทรงปารกิสุทธิ์ฉบีในเมืองสามวาัฏีิบัญญัติไว้แล้วร้อเหตุคือการไปแอบฟังคำปรึกษาหารือของพวกวิวสุทิ์ที่ทะเลาะ ก, กันนะครับเป็นสาธรณะบัญญัต พิสูจน์นี้ก็มีอาณาติการไม่เกี่ยวการใช้เนี้ยต้องไปยุอ่แยอ่ฟังเองเนะสองลูกสมุนไปโสดเนไปฟังโอ้แสดงว่าถ้ามาแตกเป็นสองพักสองขัวชัดเจนแล้วน่ะเนี่ยแอนส่งเนยไปแอ่ฟังสงสายสืบไปมันน่าเกียรดแน่ แ, บบนแต่เพิ่อพวกไม่ดีนะครับมีอะไรก็คุยกันใช่ไหมไม่ครับป <c oughs> ิกับ์ตายอยีกตีนครับครับ <c oughs> อะไครับไม่ท hmm. mm ิ้งเสียงไว้ไม่ทิ้งเสียงไว้เรารู้ว่าเขาจะเดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเครื่องมาทิ้งเสียงเอาไว้ใช่ไหมครับคือก็ไม่โดนถ้าเราไปก่อนเรารู้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขายังไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเราไปก่อนแล้วก็เดินไปนะครับแต่เครื่องเรายังอยู่ใช่ไหมก็ไม่โดนนะก็ไม่เชอบองครับก็ไม่เชอบองครับ เราเพิ่งจะอนุปสัมพันธ์นะครับเป็นติกาทุกข์กอดนะครับทำกันเองเป็นติกาทุกข์กอดพระก็ติกาไปอีกทนครับกรณีโอ้ไม่ความจริงเนี่ยถ้าเราจะว่างตรงล้วที่มันมันไม่มีอะไรเลยนะถ้าเรากํางมาถายมันจับนะครับผมก็มีมาเทียรเครืองเวลาเราเคืองกันนะบางทีไม่มีอะไรเรากมายึดมันถือมันมากเกินใช่ไหมมันถือว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขานะครับเนี่ยอล้วก็พอทิถีไม่ลงกันใช่ไหม ทีนี้ก็เกิดอารมณ์แรงนะต้องการอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เห็นเราให้ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีเราไม่มีตัญหาเราดูมน้าเราทิถีนะอันนี้ก็เป็นความเป็นเราอย่างหนึ่งนะครับทีมื่อมันไม่ได้อย่างที่เราคิดใช่ไหมเราต้องการใช่ไหมครับปัญหาออกหน้าประกอบทิถีนะแล้วก็มีมาหน้าด้วยนะเมื่อไม่ได้อย่างตามของมันนะมันจะเกิดโทสะนะครับเพราะโรภภาพมันจนเกิดโทสะตามธรรมดาใช่ไหม แต่ฟังนี้ไม่มีอะไรนะแต่เวลาเกิดเพราะว่ามันมาคิดอะไรไม่ออกหรอกแล้วมัน เ, เดือดตัวมันตดือดนเต็มใช่ไหมมันจะคิดได้าตอนที่มันกุศลมันเกิดที่หลังนะครับซัดลงไปหน้าอดูแลนี้แล้วลลมันคิ็ได้โอ้ไมนมีอะไรนะทตไมมันเขียดอย่างนี้เราไม่ได้บวชมาเพืจะมาแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายมามีอะไรกั น, นอย่างนี้นะครับควาจะมันสา ม, มารถอยู่ได้แล้วเห็ุผลขอให้เราฟังแล้วก็อย่าเพ้นตาตานะอย่าเพิ่งไปตาตาว่า ต้องให้อย่างนัอย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่ที่มันเป็นการมากก็ตั้งตาเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ยิ่งมีการแบบจะบังเข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งอะไรให้ได้เงี้ยเออนั่นยิ่งหนักเลยนะครับอย่างเงี้ยนะจริงคุยกันได้นะคุยกันได้ก็เคยมีผมว่าเคยมีเรื่องแบบอะไรอย่างนี้กันนะทีหลันก็มาคุยกันแล้วพคุยกันมันก็เคลียร์ครับม่มีปัญหาอะไรหรอกแั้วก็จบกันนะครับ คนเนี้ยเคยเจอไม่เยอะแต่สำหรับผมเนี้ยผมต้อครับผมต้องอยู่ผมต้องนทำไมทนต้องเพรว่าหาที่อื่นไม่ได้เขาเขาเขาขาคิของอย่างเงี้ยใครจะว่าว่าไงว่าไปเลยผมไม่ว่าอะไรดีนะครับดีเลยแต่ผมนี้ไม่ได้นะไม่ได้ว่ากาเมื่วันนีก็คุยนะจริง ก็เคยเคยแบบมาคุยกันเรี่ยนี่มอมาคุยอะไรนี Swan, tissues, pain, ่นะครับแต่พอคุยแล้วก็อท่านเขาก็เล่าข้าหมดนะเราฟังข้ามหมดครับเอาเอาห่างๆก็เขาก็เล่าฟังได้หมดแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นคำตาหนิเขาเลยครับเขารับไม่ได้คีหลังก็คิดรับไม่ได้นะเขาจะย้ายบ้านหนีเลยครับขณะนั้นเลยแล้วผู้พิทารเห็นผลนะคู้พิทารเห็นผลนะครับี่ <là> จะไม่เป็นไรมาธรรมดานะครับต่างชื่อต่างชาติต่างครอต่างสกุลนะแต่ถ้าเราเรามาดูถึงความจริงว่าเราบวชเพื่อประโยชน์อะไรนะครับอเรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะเราไม่ได้บวชมาเพื่อจะมาโต้วาท่าหรือว่ามาหน้าที่ผ we so ิดหรือว so so ่ามาอะไรนะมีอำนาจควบผู <Beam> ่รอบอะไรทไม่มีนะครับเราไม่ได้บวชเพื่ออะไรประโยชน์นี้เลยอืมฟุ้งซ่านเปล่าๆนะใช่ไหมครับฟอ้เราโต้วันเราคุ้งหน้ดูมีฝามีฝาไม่ใช่ประโยชน์นี้ ถ้าเราเราไปใส่ใจประโยน์สูงสุดท่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเลยแล้วมันก็จะเขีเ่ยกันได้งา่ายแครที่จะมาคุยกันนี่ใช่ไหมอ้าวเราเปลี่ยนต้องคุยดีกว่าทํำยังไงมันจะเลยในสีสมาธิปัญญาใช่ไหมทำ น, นี่จะจะเกิดแม่ตาในเพื่อสัมคมมันจะมากมากนะเปลี่ยนเรื่องไปเสียทำงา น, น, นเราจยินดีในการศึกษาไปเด็บไม่ให้ยิ่งขึ้นไปเ น, นี่ยทำานเราจะได้มากน้อยสนโดษใช่ไับอ้ามาลตงนะตรงนี้เลยคุยกันตรงนี้เลยนี่นะครับนี่เห็นนะถ้าเรามาเข้าตรงนี้ก็ จาลองคนได้งคนที่ไม่มีเห็นคนนี่คารวานี่ในมาพูดจะจะจะถึงับนต่อไปครับพุกคามาดูอนาบัตรครับพิสูจ์ไม่ต้องอาบัติก็ต่อเมื่อเดินไปด้วยตั้งใจว่าเราได้ยินคำของพิสูเหล่านี้แล้วจากงดจากะงจากเพิ่มตนเราและพิสูจบ้าเป็นต้นอันนี้ก็ ไม่เป็นไม่ต้องอาบัตรนะครับแต่ก็จะชี้แจงความจริงก็ไม่ไดนะครับองอ่านบัตรนะครับสิค้าตัวนี้มีองคศาเหล่านี้คือหนึ่งผู้ที่ปรึกษาการเป็นอุปสบมาัณ์นะครับเป็นพานะสองมีการประสงค์จโจกละนะเราเข้าไปฟังด้วความปรสงค์นี้นะสามที่ยินได้ฟังนะครับเมื่อขพบองคศาก็ต้องแบบไปตีในสิค้าบันี้นะครับสิค้าตัวนี้เป็นเทียสัทธาคุณหา ต้อมาสองทางคือทางกายกับจิตและเกิดทางกายวาจารกับจิตนะครับต้องมีจิตแน่นอนจิตที่จะไปจะไปท้วงไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะกายก็คือ hmm. แบบเดิมกายใช่ไหมวาจารเป็นยังไงทอมวาจารเป็นยังไงทมีวาจารด้วยทอมมีวาจารด้วยทอมหมายเราที่จีบแอบฟังนะครับทอมมีวาจารด้วยนะครับ ไม่แกล้นะครับต้องนะครับไม่ยอมแกล้งนั่นถือว่าทางวจีถวาร น, นะเป็นกิริยาก็มีใช่ไหมพอบาเดิมอมมาได้ใกล้หรือว่าฉลอฝีเท้าลงเป็นอกิริยาก็มีพ่อไม่ยอมแกล้งไอนะครับ <c oughs> เป็นสัญญาพิโมกนะครัพ้นได้เพราะไม่มีสัญญาแล้วไม่มีจิตอกุศลอย่างนั้นนั่นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจิตแตกานะครับต้องมีจิตนะเพราะนั้นดี๋ยะต้อ ง, ตตองบอาองอบัด น, นะ เรากล่าว่าชาติที่เป็นอกุศลจิตอย่าเดียวนะที่จะไปยืมแอ บ, บฟังว่าเขาว่าอะไรเราเนี่ยจะได้ว่าต่อให้หนักไปเลยเนี่นันเป็นอกุศลนะครับมันเป็นโทสะนั่นน่ะใจไม่ดีนะครับไม่ควรนะกายกรรมก็ได้มาจีกรรมก็ได้อกุศลจิตนะครับแน่นอนเลยทุกขวาเวทนาอะไรโทสะนะครับ <c oughs> จบการที่บาดอุปาสุติสิกขาบท น, นะครับแต่างนี้ดีนะ เวลาเกิดเรื่องกับนางอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกอย่างเงี้ยจะแนะนําว่าให้เราเรล่นลึกถึงพุทธเจริยานะครับคือความวัดขึ้นในการของพระพุทธเจ้านะในสมัยที่อะไรเป็นขันติวาธีดาวบทใช่ไหมครับอันนี้แค่เข้ามา น, นินทาเนี่ยเดี๋ยวน้องจป็นจะตาย <c oughs> เขยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมว่าขันติวาธีดาบทเขาไม่ใช่แพื่อินทาใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาทําอะไรนะตัดมือตัดเท้าใช่ไหมครับตัดจมูกใช่ไหม แล้วก็เอาไว้เครียดใช่ไหมครับแล้วก็ทื่ออกนะแม้ท่าไม่เกบไม่กดต่อพวกอะไรแม้สักนิดหนึ่งนะครับยังทนได้ขนาด น, น, นั้นนะแต่ละประาติแต่ละประเทศที่มันเพ็นบาลมีใช่ไหมครับเป็นพญาช้างฉับทนเป็นอะไรนะที่ถูกพระเทวท่านกังแก่งรือมาทมาําร้ายถึงขนาดมาค่าตายนะคะ<ม>รับเพราะเขาไม่ได้กดคือกเคือกดแค้นใช่ไหมครับไม่ได้ผูกไรกับขยัายบากฆ่าแค้นเลยนะแม้แต่สมัยที่เป็นอังรังกุมารน่ะที่โดนฆ่าแต่เด็กใช่ไหม ถ้ามารดาเนี่ะเขามีลูกเล็กใช่ไหมครับยังไงนะก็เลยเล่าลูกมากใช่ไหมครับ <c oughs> กําลังเล่นหัวอยู่กับลูกนะทีนี้พระราชามาพอดีนะครับเห็นเมียตัวเตยกำลังเล่นกับลูกอ่าถ้ามาเห็นสิ่งนี่ก็ไม่ได้ใส่ใจพระราชาใช่ไหม <c oughs> พม่อหมอเล่นกับลูก <c oughs> พระราชาอิจฉาลูกนะครับลูกอิจฉาลูกนะ <c oughs> ว่าะอีานางตันทานะลูกมันเล็กขนาดแค่นี้เองเนี่ยยังไปหลงลูกมันขนาดนั้น ยังไม่เห็นหัวเราเลยเนี่ยถากกยยา <c oughs> ้าลูกมันโตเขาจขนาดไหนอีฉาลงกนะครับก็นลยแข้งนะโก๋เลยก็เลยสั่งให้หนาสำรุจใช่ไหม <c oughs> มาฆ่าผู้ริษัทนะครับโดยการทรําไงตัดมึงตัดเท้าใช่ไหมครับตัดแขนตัดขานะเด็กอนยุไม่กี่ขวบนะครับแล้วก็สุดท้ายทำไงให้ตัดหัวใช่ไหมครับโยนขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็มีดเสียดล่ะนะครับนี่นะ ธรรมดาก็้องมล้อห่างนะครับบริษัทกําลังตอนนี้กำลังจะถูกฆ่าพงศก็โอวานตัวเองใช่ไหมไหวทําใจเป็นกลางใช่ไหมครับไม่โกรธเลยนะไม่โกรธเลยต่อพระราชาทร่โดนระเจา้าฆ่าเขดีนะครับและก็ไม่เสียใจต่บพระมารดานะครับก็บวังใจเป็นกลางนั่นนะพระราชา ก, ก็จะแนะนําให้เนะี่ยเรื่องถึงพุทธเจริยาตอนนั้นนะครับว่าเนี่ยแม้พงโดนอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองเลยนะครับนี่เราวดนนิดหน่อย แ้วมันจมันจะตาย <c oughs> ที่ไหนมีกําลังันะ <c oughs> แต่เรามันก็เป็นอะไรที่ช่วยได้นะมันก็เป็นอะไรที่ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับหรือว่าเข้าหากลยายนน้ำมิดอะไรเงี่ยนะไปศึกษาถ้ามันก็จะแนะนำเรา <c oughs> แต่ความจริงถ้าเราสา ม, มสารถเจริญเมตตาได้จริงนะครัสบสบายนะแต่ว่าไม่ใช่เเรื่องง่ายนะครับถ้าทําได้ดีนะครับมันไม่มีอะไรเราคุณเองข้างนั้นในชะ่ไหม ใช่ไหมคมัแดงของอนเองตรงนั้นอยู่ว่าเดียวกันผ้าในอะไรเนี่ยรักษาสีใช่ไหม<ช>หรือว่าใส่ใจส่วนที่ดีที่เขามีอยู่นี่นะครับเขได้นะไม่ได้เลวเหมือนทุกทางใช่ไหมครับคนก็เป็นอย่างนี้นะมีส่วนดีบ้างส่วนไม่ดีบ้างใช่ไหมครับที่ภาษาในบุตรอะไรนะถ้าบอกให้เจรอเมตตาใช่ไหมหรือมองคน <c oughs> ถ้าคนนั้น <c oughs> เข้าทางกายไม่ดีใช่ไหมครับอ่าน จะไม่เรียบร้อยนะครับในถ้ากลางสงฆ์ก็ไม่เรียบร้อยไม่ดีครับทางกายนะแล้วก็ไม่ปใส่ใจทางกายให้ไปใส่ใจทางวาจาหรือว่าใจเขาใช่ไหมครับถ้าทางวาจาไม่ดีจะเป็นคนปากร้ายด่าว่าอะไรไปทั่วกรธไม่พอใจนี้ไม่ได้เลยนะต้องมีเรื่องอะไรนี่นะ่ะทางวาจาก็ไม่ดีอย่าไปใส่ใจทางวาจาให้ใส่ใจกิรเลสทางกายหรือว่าทางใจที่ดีๆที่เขามีอยู่นะครับ แต่ยากหืว่ายากนะครับแล้วก็ถ้าอะไรนะทางกายก็ม่ดีทางวาจาก็ไม่ดีนะก็ใสญในทางใจนะความความวามุ่ทางใจที่ดีนะถ้ า, า จ, จะปากงาศิลปยามไม่เรียบร้อยแต่ใจข้ า, า จ, จะดีก็ได้นะชอบทิ้เหลือคนอื่นอย่างเนี้ยนะ <S <S ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าไม่ดีในสักทางน่ะอันนี้จะทํำยังไงถ้าไม่ดีในรักทางมันก็ไม่ดีจริงๆนะไม่รู้จะบองยังไงนะครับ อันนั้นก็ให้เจริญกุณานะให้เจริญกรุณานะอันนี่ก็จบไี่ยจบแน่เลบนะนขาพักครึ่งก่อนพักครึ่งก่อนอ๋อยั ง, ย, งยังไม่จบนะพักครึ่งก่อนนี้เข้ามายนนี้